ฟังทมกันเนาะขอพูดกับทุกชีวิตทุกท่าน น, านึกว่าเดี๋ยวขนาดนี้มีผู้พูดด้วยกับเราอยู่ตั้งแค่ฟังสักหน่อยสิ่งที่พูดเป็นเรื่องของเราทุกคน ไปใช้เรื่องนอกตัวเราราพูดอะไรมันถูกก็ถูกที่ตัวเราอะไรว่าผิดก็ผิดที่ตัวเราผิดถูกมันอันเดียวกันชีวิตของเรานี่ทุกทุกเหมือนการบาปเหมืนกันกุศลเหมือนกันบุญเหมือนกันสวรรค์ น, นิพพานเหมือนกันไม่ใช่คนลาเรื่อง แต่ถ้าเรามีเครื่องรับบ ร, รู้จักถ้ามันมีเครื่องรับก็ไมู่้จักเราต้องมีเครื่องรับในตัวเราทุกชีวิตก็จะได้ยินที่วาจักทุกเรื่องทุกราวชีวิตของเรามีกรรมฐานเป็นที่ตั้ง ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันทำมาเดียวกันถ้าได้ก็ได้อย่างเดียวกันถ้าเสียก็เสียอย่างเดียวกันถ้าผิดก็ผิดอย่างเดียวกันถ้าถูกก็ถูกอย่างเดียวกันเจว่ามีที่ตั้งเหมือนกันรว่าวิชากรรมฐานเป็นหลักถ้าเราตั้งไว้หลักนี้ก็จะไม่มี ชีวิตที่เลื่อนลอยไม่เป็นชีวิต ท, ที่พ้อตินมีหลักมีแรงมีหลักวิถานเหมือนกับมีหลักฐานอสอกสว์สมบัติไม่ใช่จนคนจรนจัด น, นั้นเป็นเรื่องของลูกปฐานที่เป็นหองโลก แต่เรื่องธรรมนี่หลักฐานของเราคือธรรมะคือกรรมฐานทำให้เรามั่นคงมีที่ต้องในที่ปักหลักไม่หวั่น ไ, วไหวเลยที่มันเกิดขึ้นมากรรมฐานก็มีความงดงามในตัวมันเองถ้าเรามีหลักมีฐานมีกรรมฐานไปนที่ตัง้ง เสมือนเราปลูกข้าวปลูกต้นกล้าต้นไม้ลงในดินที่มีดินดีน้ำดีอากาศดีก็องอกงามโต ว, วันโตคืนขึ้นเป็นธรรมชาติตัดกฎของธรรมชาติเป็นหน้าที่ของธรรมชาติที่มันเป็นไปนของมันเองจเจริญเติบโตมันเองหรือเหมือนกับชีวิตของเราที่เป็นเด็กอ่อน ว่าแม่เอโนมใส่ปากมัรู้จักเืนกินเอาข้าวใส่ปากก็รู้จักเกินกินอันนี้เป็นเรื่องที่บุคคลที่หนึ่งที่สองแต่บุคคลที่หนึ่งคือตัวเราเรากืนเองเราก็ต้องโตเองการเติบโตของชีวิตไม่ใช่คนอื่นมาเติบโตให้เราต้องโตเองถ้าว่ามี การจินข้าวขึ้นนมลงไปในลำคอก็มีกการเติบโตขึ้นมาเองของธรรมชาติต้นเมื่อยกเช่นเดียวกันเริ่มต้นกล้าที่เราปาาลูกไว้แถวหลานธรรมแต่ก่อนก็เป็นบาลงพงยาขาเปลี่ยนยาขาออกปลูกจนมื่อยลงไป ต้นไม้ก็จะเริญเตโตขึ้นตัววันโตเขื้นขึ้นมาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีต้นโตขึ้นที่เป็นต้นย่ า, า่าบุงก็หมดไปอันนี้เป็นธรรมชาติที่มันเป็นไปของมันเอง ชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเราปลูกกรมมฐานลงไปตั้งลงไปมีสติลงไปที่แผ่นดินคือกายคือใจนี่สติก็จะโต ว, วันโตเกินขึ้นสิ่งที่ไม่ใช่สติก็ช่นความหลงก็จะหมดไปหมดไปเลินเนี่ความรู้สึกตัวมากขึ้นมาขึ้นกายเป็นมากเปนผลขึ้นมา แต่ก่อนป่ายาผ้าพงที่อยู่ที่นี่ไม่มีเหตุมีอะไรเกิดให้กินพอปลูกต้นไม้ขึ้นมาเห็ดก็มีให้กิ น, นสิ่งที่ผลก็เกิดตามมายึดของเรายิ่งประเสริฐกว่า น, า น, น้นมันมีทวานที่เติดไหลขึ้นจากคิดคนคนหนึ่งถ้าทำถูกต้องแล้วมัน มันประโยชน์ต่อโลกโลกตถาคอยาประโยชน์ต่อโลกยาตถาคอยาประโยชน์ต่อญาติพุทถัตตคิยาประโยชน์ต่อภพศาสนาเป็นไปเองที่เป็นอย่างนั้นจากคนคนหนึ่งที่เกิดความดีขึ้นมา นี่เรียกว่าหลักชีวิตก็ไปถึงที่สุดคือมากคือผลนี่คือการได้ชีวิตถ้าไม่มีหลักมันก็ไม่มีชีวิตชีวิตห้อยเขนไว้กับเหตุปัจจัยแล้วแต่เราจะดึงพัดพาไปไม่มีหลักไม่แรงยิ่งโดยเฉพมีหลักแรง เหมือนเสาเขื่อนเหมือนภูเขาสิลาแท่งทึบไม่วันไหวเพราะสิ่งต่างเราจึงเลด้ว่าได้ชีวิตขึ้นมามีชีวิตชีวาวิธีที่ทำให้ชีวิตเกิดขึ้นมาก็มีวิชากรรมฐานนี่ได้ชีวิตจริงๆไม่เป็นอะไรกับอะไรไมีแต่ ทำที่เหมือนจะเลินองอกงามขึ้นในชีวิตของเราแล้วก็ทำได้ปฏิบัติได้เป็นตัวเป็นตนเป็นจริงที่สมผัสได้ในกายเราก็มีจริงสติมีในกายก็มีได้จริงจสติไปในใจก็มีได้จริงๆ มีกายมีใจมีสติสติเป็นผู้ดูแลเป็นสิ่งดูแลกายใจให้ว้อยู่ในความปลอดภยัยให้มันคุม้มนี่คือเรามาสร้างชีวิตอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจที่ไม่ใช่สติก็เปลี่ยนมาเป็นสติถ้ามีสติก็มีงานของกายของใจ ถ้าไม่มีสติก็ไม่มีงานของกายของใจก็ปล่อยอกา ย, ก ป, ลยปล่อยใจทิ้งเลอะเทอะไปวิชากรรมาฐานก็คือวิชามารักษากายใจของเราให้ใหปลอดภัยจะได้เปลี่ยนความร่ายเป็นความดีเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกเห็นตอนมีสติดูกายก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายไม่ใช่สติ ม, มีสติเห็นจิตใจที่มันเชิดก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ตรงอะไรแก่ไ ด, ได้ขายได้เปลี่ยนร้ายให้เป็นดีได้เปลี่ยนร้ายเป็นดีที่มันเกิดขึ้นกันไปกับใจมันละหลายเรื่องหลายอย่างไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรไม่มีงานอะไรยังเปลี่ยนร้ายเป็นดีทีไลไรก็ ก็รู้สึกเป็นว่าเป็นอย่างไรผิดถูกอย่างไรเื่อเวลาเรามีสติเห็นความหลงเกิดขึ้นที่มันหลงหลงไปในทางความคิดหลงไปในทางตาทางหูหนะ้าจมูกเล่นกายใจแล้วก็ได้เปลี่ยนมาเป็นความรู้เราก็เห็นเลยไม่ได้ไม่ได้อยู่นิ่งได้เปลี่ยนไลยเป็นดีไปเรื่อยๆไป เห็นเรื่องมาดีตรงกันข้ามเป็เรื่องที่เห็นเรื่องไม่ถูกตรงกันข้ามทรื่องถูกต้องเห็นมันก็เป็นงานต้องการเป็นงานงานชอบเราเห็นสิ่งที่มาดีเกิดขึ้นกับเราได้แก้ไขแล้าก็เราได้ช่วยอะไรบ้างมาช่วยโลกช่วยคู่ช่วยคนช่วยสร้างสอนขึ้นมา จาคนเราคนหนึ่งต่างคนทุกวันนี่ก็ะทั่งลักอยู่ที่นี่เหมือนกันหมดให้มีที่ตั้งอยู่ที่เหมือนเหมือนกันหมดก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนดูแลตัวเราอยู่ดูแลกายดูแลใจเราอยู่ปกครองตัวเองดูรักษาตัวเองอยู่ของตัวเรา ของคนอือนอยู่ของทมของงานอยู่ถ้ามีจิตก็ถือว่าเป็นอย่างนั้นได้จึงที่ว่างานสร้างชีวิตก็ว่าได้งานกรรมฐานนี่หรือวันล่วงพ้นภาวะเก่าๆจริงๆสิ่งที่ไม่ดีมันพ้นไปได้อย่างงดงาม เป็นความสำเร็จของชีวิตมันต่างเก่าพ้นเพราะว่ า, าวเดิมงานกรรมฐานนี่เป็นงานที่แบบเป็นเป็นมนุษย์สแต่ก่อนเราเป็นคนบบ น, นี้เรามาฝึกขัดล้วเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วอยากจะพูดว่า อายุสามสิบปีไปกลับขึ้นหลังไปนู้นไม่เป็นมนุษย์เลยเป็นคนคุ้มร้ยคุ้มดีผูผูแผบแผ่แันไว้กังวลทั้งรักทั้งชังทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งโกดลกูหลงทั้งบียดเบียนตนแดงและบียดเบียนคนอื่นจริงอื่นวัตถุอื่นพอมาฝึกกรรมาถาเขา้าเออมันเป็นมนุษย์ขึ้นมาไหวกรไว้ย่าขึ้นมา เราคิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงบุญคุณที่พ่อแม่เลี้ยงตาได้มีค่าขึ้นมาคุ้มค่าน้ามนมขึ้นมาคุ้มค่าที่เป็นพี่เป็นน้องกันขึ้นมานี้จากลูกมาบวชก็คุ้มค่าแล้วนี้จากเมียมาบวชก็คุ้มค่าแล้ว มันคุ้มค่าเลยบ้เอหิมเป็นมนุษย์ขึ้นมาจริงจริงผู้ที่ฝึกตนดีฝึกให้ตนดีได้ฝึกให้มีคุณธรรมได้คุณธรรมที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเป็นประโยชน์แต่มปนความรักก่อนรักทุกสิ่งทุกอย่างรักคนทั้งโลก แต่ก็มังคับครับช้าแลบนแต่อารมณ์ที่บังจะบังคับให้พาไปทำไปบางที่ก็บังคับไปอยากได้นู่นอยากได้นี่จนไม่มีเวลานอนไม่หลับชิดอยากจะไปทำนู่นทานี้เมื่อไหลมนจะสว่างอยากไปทำนู่นทานี้อยากได้หัวความจนอยากมั่งมี อาจจะตายไปแล้วทำตามความอยากถ้าไม่มาปฏิบัติทำไหนตายไปแล้วดูความอยากบังคับขับใสอยากทางจิตใจก็เบียดเบียนกายดูความโกรธบังคับจิตใจก็ทําให้จิตใจเสียหายมีอะไรสารพัดจากที่มันบังคับ ความรักในความรักก็ไม่ความเจียดชังแล้วแต่มันจะสร้างอะไรต่างๆไปชีวิตไี่ปลอดภัยเลยเมื่อมาดูสิงที่ผานมาขนตัวหมัวลุกพืดตัดไหลลงไปลำคอเป็นรอยบาปรอยบาปเลยการที่ผ่านมามาาดาย เชียนได้ามาระตื้อเลือล่อนล่กอบกู้ชีวิตขึ้นมาเอ้เปลี่ยนหลงเป็นลู่เปลี่ยนหลายเทมไม่ดีเป็นลู่ได้ด้วยการกระทําแบบปงอาจกาาจาล้าหาดมาเราจะมากข้มาเอาทิทาไหลก็มาเถอดจะเปลี่ยนให้เป็นลู่สึกตัวลู่สิบตัวว่าแต่กลัวแต่มันไม่มีให้ทํามึงเลไหนที่ว่าทุกอ่ะมันอยู่ที่ไหน อย่าเข็นความทุกข์ที่เหมือนเกิดขึ้นกับเราเลยอย่าเข็นของที่ไมด่ดีมันเกิดขึ้นกับเรานลมันเป็นงานชีวิตอย่างนี้งานชีวิตมันงานสร้างสรรค์อ่างนี้จนจ น, จนไม่มีอะไรจะทํำละเราพูดถึงปวอมงานการะทาที่เราได้ทําด้วยมือของเราเหมือเราสร้างบ้านได้อยู่ ไหนที่มันไม่มีตรงเสียหายเฮายก็ดีหมดแล้วชีวิตนี้เ่าบอกชีวิตไม่ใช่ประตูจริงของไม่รู้จักโสมไม่รู้จักเสียหายเป็นชีวิตที่มาสถานชีวิตอย่างนี้ไม่ใช่ชีวิตที่เจ้เท่าเกิดเจ้เจ็บตายมันก็พ้นไปจาก รูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์ปัญญาเป็นทุกข์อมพันภาคจากของโอกของชั่วเป็นทุกข์ความปรารถนาสิงใดไม่ได้ถึงนั่นนั้นก็เป็นทุกข์อมไม่สบายกายคามไม่สบายใจเป็นทุกข์มันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็มีค่าแค่บ้างเหมือนคน แหวกว่ายในน้ําวันนี้มาขึ้นฝั่งได้เห็นคนที่แหวกว่ายในน้ําแล้วก็ตัวเองเราขึ้นฝั่งก็รู้จักมันเป็นอย่างไรลักษณะอย่างไรมันก็ขนลุกหลงก็ไม่ได้จะสุขจะทุกข์มก็ไม่เอามันอยู่ที่ปลอดพลย งานกรรมานเป็นงานสร้างสรรได้ชีวิตขึ้นมาได้ชีวิตได้ชีวิตขึ้นมาชีวิตจริงๆมันไม่เป็นอะไรันสุขอทุกนัน่นมาใช่ชีวิตโกรธโลภโงนละควพอใจเสียใจไม่ใช่ชีวิตชีวิตจริงๆมันไม่เป็นอะไรเพื่อการที่เราตรงชีวิตของเราที่เกิดมา พ่อแม่เราอาจจะทําไม่ได้เราอาจจะตัวของเราที่อาจจะให้มันคุ้มค่าให้มันคุ้มค่าเอาละไม่ก็ไม่เป็นอื่นเลยเราก็เป็นลูกของพ่อของแม่จริงๆแล้วก็มีพี่แม่นอกจริงๆเป็นพ่อคนเป็นหัวคนจริงๆ แล้วก็มั่นใจว่าเออนี่มันคุ้มค่าเราที่ทำที่อะไรที่ผ่านมาก็มีงานไม่การเกิดขึ้นมานี่คืองานคือสร้างสค์ชีวิตวิชากรรมฐานนี่อ่านผิดได้มาสอนได้ทุกชีวิต เวลาหลงก็หลงเหมือนกันแต่ความไม่หลงก็มีเหมือนกันจึงเห็นสิ่งที่เหมันทําได้กระตื่นเรื่องมันได้มันทําได้จริงๆเวลามันทุกไม่ทุกข์ก็ได้เวลามันหลงไม่หลงก็ได้เวลามันโกรธไม่โกรธก็ได้เวลามันอะไรที่มัน โป้ผูแแบบแบบให้มันตรงคงเช่นคงว่ามาจะฐานก็ได้วิตีมาจะฐานไม่ปูไม่แแบบทำได้ทุกคนถ้าฝึกหัดตัวเองแต่ถ้าไม่หัดก็เป็นอยู่อย่างนั้นหลงจนตายทุกจนตายโกะจนตายดีใจเสียใจจนตายถ้าฝึกหัดตรรมาฐานแล้วก็จะ มันก็หมดไปได้มันก็ได้เป็นปุ๊บไม่เป็นอะไรกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจโหละไม่ออกกายมาเป็นสุขไม่ออกกายมาเป็นทุกข์ไม่เอาใจมาเป็นสุขไม่ออกใจมาเป็นทุกข์แต่ก่อนนี้มันออกายมาเป็นเรื่องสุขเรื่องทุกข์มันเอาใจมาเป็นเรื่องสุขเรื่องทุกข์ อาควาเป็นที่ตั้งขอให้เกิดสุขเกิดทุกข์ในรูปในรส ใ, ในกลิ่นในเสียงมาให้เกิดความพอใจไม่พอใจเอาความแย่ความเจ็บความตายมาเป็นความพอใจไม่พอใจเอาการได้การเสียเป็นสิ่งพอใจไม่พอใจเอาวัตถุสิ่งอื่นมากำหนดตัวเองเอาตัวเองไปกำหนดวัตถุอื่นให้สิ่งอื่นมากำหนดเรา อยางอื่นบางกำหนดก็เป anyway, ็นไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นมากำหนดให้เราเป็นไปตามมันบางทีเอาเสียงมากำหนดให้เป็นสุขเป็นทุกข์บางทีเอารูปมากำหนดให้เป็นสุขเป็นทุกข์บางทีเอากินมากำหนดให้เป็นสุขเป็นทุกข์บางทีเอารถมากำหนดให้เป็นสุขเป็นทุกข์เอาสัมผัสมากำหนดตัวเองให้เป็นสุขเป็นทุกข์ เอาความคิดมาให้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขปกอบเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิดนี่มากหลอยเมื่อยล้าจำทีแล้วทำงาน่นอนมันก็หาเรื่องมาคิดโน่นคิดนี่ันที่ก็นอนไม่หลับเพราะความคิดมาขนาดนั้นมันก็เลยมันบังคับเราฆ่าอย่างนั้น มองคิดเห็นเรื่องศาสต า, า์เรื่องพระเจ้าเรื่องพระรรหันมีความสนพอจะมีกระแสได้เรียนได้อ่านอะไรต่างๆได้ยินได้ฟังมาแต่ได้ฟังมาทำบางทีก็เอาความคิดทำตามไปเฉยๆไม่ได้ฝึกกรรมาฐานแต่ว่าบุญก็อยากได้บุญ เอาบาปบาปก็กลัวบาปแต่มาลูยจากบุญมาลูยจากบาปอยากได้อยากได้บุอยากได้สวรรค์ น, นิพพานเราพาทําอะไรก็ขาบอกว่าเอ็นไปเพื่อพระนิพพานทําบุญทำทานอะไรต่างๆทำปบายรักษาศีลตามประเพณีของขนถ่ายที่พ่อแม่สั่งสอนมาให้กลัวบาปให้ทําแต่บุญเอากลัวบาป อยากได้บุญผู้ที่ให้บุญก็คือพระือสองเห็นพระที่ไหนก็เ่วยเหลือกอบกอดเอาบุญกับสิ่งอื่นวัตุอื่นแต่ว่าบุญก็เป็นบุญไปคืาว่าบาปก็กลัวไปแต่ไม่รู้ซึกไม่รู้จักไม่เกัดบาปก็ไม่เห็นบาปอยากได้บุญก็ไม่รู้จักบุญ โอ้ยได้ยนหลวงพ่อเทียนข่าวหลวงพ่อเทียนสอนกรรมฐานวม่ต้องเรียนอะไรให้มาฝึกกรรมฐานนี่จะรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักสวรรค์นิพพานนี่คนเล่าลือกันก็ไม่ต้องทำอะไรละไม่ต้องมีเงินชักบาท ว่าแต่มาปกึกกรรมฐานจะรู้จักบุญรู้จักบาปจะมีบุญได้ละ บ, บาปได้มีมากมีผลมีสวรรค์นิพพานได้ก็มีคนเล่าให้ฟังก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ปล่อยทิ้งล้วคนพูดมีตัวมี ต, มตนอยู่ หนูเถียนก็มีตัวมีตนคนที่พูดในฟังก็มีตัวมีตนก็เราก็ว่าดีอย่างนั่นดีอย่างนี้ก็เลยเป็นประมวลหมายเป็นที่ตั้งเอาไว้อะไที่ว่าเป็นมุ่งก็ทํามาแล้วอะไรที่เป็นบาปโุลละไปแล้วแต่ยังกลัวบาปโคตรโตลุกนี่คือกรรมฐาน กรรมฐานเป็นที่เกิดของกุศลเป็นที่ละของอกุศลวิชากรรมฐานนี่เปลี่ยนหลงเป็นลูกนี่บุญบาปเปลี่ยนในที่นี่เปลี่ยนทุกเป็นลูกคือการทำบุญเปลี่ยนความโกรธเป็นความลูกการทาบุญละบาปเปลี่ยนหลงเป็นลูกการรักษาสินทุกเกิดขึ้นที่นี้ เปี่ยนอะไรไม่ได้ที่มันไม่ดีเป็นความดีขึ้นมาก็คือการรักษาศีลตรงนั้นวิชากรรมฐ า, านโปรดเจอเขาอ้าเรื่อนี้จ ร, งจรงิงจริงเยอะแยะความไม่ดีที่มันเกิดกับกายกับใจนักเปี่ยนมันเปลี่ยนมันเป็นเรื่องดีไม่รู้จักกับตัวเองรักษาศีลไม่รู้จักกับตัวเองทําบุญถ้ามันทําอยู่นี่ศีลก็จะรักษาบุญก็จะรักษาไปเรื่อยๆไป เปลี่ยนมีสติเฉลีมีสติมีกรรมฐานตั้งไว้มีสติปนเป็นญากายเป็นประจําพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้ที่จู่ต้องหลายโน่นคนเมื่อไงต้งหลายโ น, น่นเลื่อนวางั้งหลายแถวจงฝึกตนสอนตนมีความเพียนเครื่องเข่าเฉลี่ลยมีสติมีสมบัติฉัญญ์เอะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้แล้วก็ตรงไปเลยทีเดียว นั่งอยู่ในป่าปนั่งสร้างสังวาเดินจงคมุมมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาเลยเปลี่ยนมาเลยทุนมันแล้วรูเจา้าัวเตียงเลิกษาสินเฮเลิกษาชินอยู่แล้วไม่ลู้ชินลิกษาเราแล้วจึงมาลู้จักโอ้รหปกติมานานไม่เป็นอะไร ไม่เป็นบาปไมเป็นกรรมใจก็าบอกไม่ทำอะไรใจก็ไม่ทำอมารวาจ้าไม่พูดอะไรโอ้ก็มาถอนไปนการรักษาชิ้นไปกันทําบุญนั่นเนี่ยโอ้บุญเมื่อมีแล้วช่วยแล้วรู้แล้วบุญคือรู้ผิดรู้ถูกไ ม, ไม่ผัวแวงผิดกเป็นเป็นบุญแล้วเน้่บุญคือรู้ผิดไม่ทําตามความผิดรู้ถูกทําตามความถูก วางชั่วล้ะแต่เพื่แต่เพื่อถามแต่ความดีเรื่อยไปเออนี่เป็นเป็นบุญนั่นเนี่ยมันเป็นบุญนั่นเนี่ยพอดีแล้วถามไปเอาเป็นมากสิ่งที่มันดีก่อรักษาเราไปเรื่อยๆนี่สติมากเท่านเท่าไหร่ก็สติก็รักษาจะหลงจะทาให้พิษไม่ได้แต่แต่ก่อนมันก็ยากง่ายที่จะหลง พอฝึ er กไปฝึกไปง่ายที่จะลูกเนี่ยง่ายที่จะลูกนะเนี้ยมีไหมมันลูกมีไหมมันหลงมีไหมมันมีงานแบบนี้ไหมถ้ามันมีหลงก็มีลูกขึ้นมาถ้ามันมีพอใจไม่พอใจมีไหมถ้ามันมีก็เปลี่ยนมาเป็นความลูกขึ้นมาเรียว่าโขนความพอใจได้ความไม่พอใจอันความพอใจไม่พอใจเป็นรถของลูกโลกเขาอยู่ตรงนั้น ดอยดอยเชี้อเชี้อสู่สูทุกๆตัวลถของโลูกลถของโลกมันเกิดเจยเฉยตายถอนลงมาถอนลงมามีสติเห็นเห็นที่มันมีอะไรเกิดเกิดเกินที่ไหนเห็นเรื่องของกายเห็นเกิดที่เกิดขึ้นกับกายอะไรมากมายเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจอะไรมากมายก็เป็นงานขึ้นมามันก็ มันก็ทํางานแบบนี้กรรมฐานมันทํางานแบบนี้งานชีวิตแบบนี้จึงได้ว่ามันได้ชีวิตอย่างนี้ได้ชีวิตขึ้นมาอันสุขทุกทุกไม่ใช่ชีวิตมันเห็นมันลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาก็ไม่หวั่นไหวมีที่ตั้งมีที่อยู่แล้วไปแลยนี่คือฝพืกรรมฐานวิชากรรมฐานจึงเป็นวิชาที่ศักดิ์สิทธ์ จะมาจากไหนจากใครอย่างไรก็ตามวี่หลทกิยอบาก็ตามถ้าบังฟุกกรรมธรรมมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เ ป, ไดเป็นดีได้ถ้าเปลี่ยนไปเ ป, นป็นบาปก็หมดแต่ความไม่ดีมันหมดเป็นมันมีแต่อันเก่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่เห็นต้นโตของมันเห็นนะต้นโตของมันคือความหลงหรือว่าวิชาคือความหลงเนี่แหละ เป็นอกุศลมีความรู้จักตัวก็ลากอากุศลได้กุศลขึ้นมาอากุศลหรือกุศลมันมันไปคนละทางเห็นชัดเกลนจึงว่าลากเงาของอากุศลมูลมีอยู่สามอย่างลากเงาของกุศลมีอยู่สามอย่างเมื่อตรงกันข้าม ไม่อยู่ที่คนละอย่างคนละอื่นหานขาวเดียวกันเจงขนาดเดียวกันลากเงาของอกุศลลากเง่าของอกุศลก็อยู่ที่เดียวกันแต่มันอยู่คนละมุมของตรงกันข้ามของอันใดที่อยู่ตรงกันข้ามก็เห็นได้ง่ายาเห็นอันหนึ่งก็เห็นอันหนึ่งมันก็ไม่จนเป็นผู้ไม่จน เป็นผู้ไม่มีความกังวลมันก็ยินดีต่อพระนิพพานไปเลยของตรงกันข้ามกุศลก็คือควางลูกอกุศลคือความไม่ลูกวางไม่ลูก ค, ค, คือวิชาความลูกคือวิชาจึงอยู่ตรงกันข้ามมีสติีก็ไม่จนจกเรื่องเลย สิ่งที่มันเกิดกับกาับใจนี่ไม่จนชกอย่างมันจะมีอะไรให้เกิดขึ้นก็จะมีจุดเดียวที่จะต้องเปลี่ยนไม่ใช่คนร้อยอย่างมันอันเดียวจึงเป็นกอบเป็นกำเป็นงานสร้างสารชีวิตทําไมไม่จะไม่ร่วงพ้นภาว่าเก่ามันเปลี่ยนไล่เป็นดีไปเรื่อยๆ เหมือเราซักผ้าจึงได้บรรจุกระปกมันก็ซักออกตายจิตของเราเนี่ไม่มีวัตถุที่นงที่สองที่สามมันสวนตัวสวนตัวเลยชีวิตส่วนตัวจริงๆน่าจะเป็นบุญก็สวนตัวไม่มีใครมาช่วยได้ไม่มีใครให้เราได้ศีลก็สวนตัวไม่มีใครให้เราได้ แล้วก็เป็นความพึ่งตนเองไปเรื่อยๆไปมั่นใจตัวเองไปเรื่อยๆไปดิกหงมใส่เรื่อยๆไปเพราะว่าไม่มีใครช่วยเราได้เจ็บก็เจ็บเองเจอก็เจอะเองตายก็ตายเองก็ต้องกระตือร่นหรอกจะช่วยชีวิตเรื่องนี้คือถึงมามันก็ช่วยได้หลงก็หลงเองต้องเปลี่ยนหลงเก่าเอง ทุกข์ก็ทุกข์เองต้องเปลี่ยนทุกข์ไม่ทุกข์เองโกรธเพโกรธเองต้องเปลี่ยนโกรธไม่โกรธเองอะไรมันเกิดที่เราเราเนี่ยเป็นที่พึ่งของตอนเราต น, นั่นและเป็นที่พึ่งของตอนเจือนตอนด้วยตนเองแก้ไขตนด้วยตนเองมีสติอยู่เป็นสุขนะภิกษุตั้งหลายผู้เจ้าสอนอย่างนี้ นี่โอกาสที่มารึกกรรมฐานได้เตือนตนด้วยตัวเองได้แก้ไขตนเองมันจึงเป็นงานประเสริฐกรรมฐานเป็นการลิขิตชีวิตเราโอ้เกิดเช่าดายผู้ใดขอปอกความเท้จความจริงแก่ผู้คนอย่างนี้ถ้ามีผู้บอกมันหลงไม่หลงกว่าด้มันทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้มันโกรธไม่โกรธก็ได้ ถ้มันมีเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ยาระจนการเปลี่ยนไล่เป็นดีหรือว่าปฏิบัติธรรมมันก็ไปถึงชำนิชานานเป็นสังขารเป็นวิสังขารมื่อ น, นี้เดียวสังขารคือการปงแต่งวิสังขา ร, กา ร, ก, ารการหยุดการปุงแต่งการหยุดการปุงแต่งมันไปถึงมากถึงขนะั้น วิสังขารคือนิพพานสังขารเป็นทุกข์วิสังขารไม่เป็นทุกข์เมื่อหม่นชะไม่จำนาก็ถึงมากถึงผลได้สังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์นิพพานันางปลองเสงย์นิพพานเป็นสุขมันหยุดมันไปปรุงมันไม่ปุงหยุดปรุงก็เปลี่ยนตั้งแต่มันหลงรู้เนี่ยก็ไป เป็นศาสเป็นศิลบ์เป็นปริญญาก็ได้ชำนานก็รอดรู้ได้ง่าย <c oughs> ไม่มีอะไรที่เป็นลู่ญ <c oughs> านตะปริญญาก็รอดรู้ในการรู้ได้ตรีลกระดาปริญญาแกะแกงได้ไม่มีอะไรกองเศษเหลืออะไรลงตัวเป็นศูนหลงตัวมาตรฐาน กาแข็งอจตานนี่ก็เป็นรูปนี่ก็เป็นนามนี่ก็เป็นขันธ์หน้านี่ก็เป็นธรรมชาติสถ า, ารนี่มันเกิดขึ้นม่ใช่ตัวใช่ตนสนาการเกิดกับกายปัาญาเกิดกับใจไม่ใช่กายไม่ใช่ใจหวมโกรธไม่ใช่ใจธนากรเกิดกับจิตใจเป็นอารมณ์ มลมไม่ใช่ตัวใช่อตนแต่ถ้าเรามาลูกกันตัวเป็นต้นตไหมอทอมควมชั่วเข็บหายตัวเองและคนอื่นความโกรธไม่ใช่ตัวมันใช่ใจเป็นอาลมเป็นอาการเกิดของใจความสุขไม่ใช่ตัวใช่อตนเป็นอาการเกิดกับใจความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวใช่อตนเป็นอาการที่เกิดกับใจนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่เราเป็นเรื่องใหญ่ เป็นอาการแต่ใจมันบริสุทธิ์อยู่หรอกบางทีเรไม่ได้เฝ้าขัดไม่เห็นก็เอาความโกรธว่าเป็นใจเป็นตัวเป็นต้น ท, ท, ทําตามความโกรธเสียผู้เสียคนความทุกข์ก็เลยว่าจอยเอาทําตามความทุกข์จนกินไม่ได้นอนม่หลับน้าเสียดายมากเป็นทุกข์ความคิดนี่ยโ้ยนะเห็นคนมาปฏิบัติตามเลย ได้เ ล, เล่าให้ฟังกับมีความทุกข์ความคิดนี่แหละเอาอะไรมาเป็นเรื่องความคิดทั้งหมดเลยลงที่ความคิดทั้งหมดเอาเรื่องต่างๆคนอื่ น, ม า, า ม, น, นามาลงที่ความคิดตัวเองความโวยความเรินเฉินนี่ดาลรามาลงที่ความคิดตัวเองเนอะเอาความคิดไปบันทึกกับจริงต่งตางๆเอาว่าก็เราก็ทํากับเราจา น, น, น้นเดี๋นี้มันไม่ใช่ความผิดของเรา โอ้ยความผิดของคนอื่นที่ทำํำมาเราเดือดร้อนไม่ใช่ความผิดของเรานอาจจะได้บรรลุธรรมนะแต่ถ้าเราในไปทําคนอื่นร้อนเนี่ยโอ้ยเป็นความผิดของเราแต่เสียใจเสียหมองหมองเลยเข็ดหลาบมากที่ตัวเองทําให้เตัวองเป็นทุกข์ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์นี่เนความเฉดหลาบอ้วมากที่สุดอันคนอื่นมาทําเราเดือดร้อนเนี่ยเราไม่แก้เราไปแก้ไม่ได้ ไปแจ้คนอื่นไม่ให้ทํากับเราอย่างนู้นอย่างนี้ไม่แก้ไม่ได้เอาบ้าอย่าบ้าเราอย่าทํากับเราอย่างนั่นนั่นแก้ไม่ได้แต่เรามาแก้ตัวเองนี่แก้ได้นี่คืองานปฏิวัติเตอมเสียงจะถ้าเราไปทําให้คนอื่นโลอนเคล็ดหลอบอ๋อยๆแต่คนอื่นทําห้เราเนี่ยเราไม่ได้ผิดพลาดอะไรเขาทาให้เราเดือดร้อนเฉยๆมันก็มีอย่างนี้ แม่เขาจะฆ่าาตายแล้วก็ถ้าแก้ไ ม, ไ, ไม่ได้ก็ถ้าลบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตายก็ตายถ้าเขารำบางคนท้ามันต้องตายมันเลยตายเพราะเราฆ่าตัวเราไม่ได้ความผิดของเราก็ไม่มีอะไรที่เป็นทุกข์เป็นโทษเพราะนั้นพวกเราจึง ถือว่าเป็นงานของมนุษย์งานสร้างชีวิตของเราขึ้นมาได้ชีวิตเพราะเกิดกรรมฐานนอกจากกรรมฐานแล้วก็ใจปเป็นประเด็นมีน้ำจิตน้ำาจพวกเราเป็นคนถอยเพราบางจากเป็นงานบางจากเป็นส่วนหนึ่งของบางจอกที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของบางจอกวัดป่าสุขโตนี่ อกผีที่บบงจอกบบงจอกจะนี้หัวใจของวัดป่าสุขตวัวัดป่ามหาวันช่วยสร้างสอนผูกปะทำโน่นทำนี้เป็นปัจจัยที่มาเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราด้วยเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเราด้วยเป็นเครื่องนุ่งห่มของพวกเราด้วยเป็นการรักษาโลกของเราด้วย แล้วก็ทุกปีวางจากก็มาช่วยปลูกป่าหมาหวานบําทีก็หมาสุกโตบางสุกโตปลูกป่าแล้วแล้วใบก็บอดแล้วผลงานบางจาก ม, มีที่นี่เ mm hmm. ออคนอื่นมาช่วยเราเถอะแ่มาต่อสักมาต่อยอนแทนเราได้ช่วยคนอื่น มใ่มามานั่ง้คนอื่นมาทำให้เราอย่างเดียวเห็นบุญคุณเห็นคนไทยเห็นประเทศจาติเราเจ็บป่วยคนไทยช่วยรักษาเราก็ทำดีเลยไปเราใช่ไม่ใช่มานอนให้คนมาดูแลเราเราก็เนี่ยต่อยอดเราทำความดีไม่ไม่ขาดไม่ขาดลงใช่ะ ความดีที่คนอื่นช่วยเราแล้วก็ช่วยคนอื่นเรื่อยไปเจ้าคนอื่นจริงเหรนวัตถุอืนเรื่อยไปมีงานมีการเยอะๆในบ้านในบางเรานี่เราไม่กัเลยคือเราบางจาาีอาคมปุกปากก็ขอแสดงตามด้วยความ มาจากหัวใจจริงๆนะฮะสมควรจะเวลา